บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปมาราเสนาหรือเสนามันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้ถึงแปดชนิดด้วยกันนั้นเมื่อกล่าวโดยเนื้อหาหรือว่าโดยอัฏฐะแสดงความหมายแล้ว บุคคลก็จะพบความจริงว่าสิ่งอารมณ์บุคคลอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคขัดขวางตัดรอนความดีงามความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จในฐานะนั้นๆของบุคคลทั้งหลายซึ่งนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นมานจะมาที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคขัดขวางล้างผลาญทําลายนั้น ก็มีกําลังอํานาจมากปางน้อยบ้างบางครั้งบุคคลก็เอาชนะมารได้บางครั้งมารก็เอาชนะเราได้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจของกุศลหรืออํานาจของมารตามสมควรแก่กรณีโดยเฉพาะในที่นี้ทรงจําแนกแสดงมารเอาไว้ ในข้อแรกก็คือการมัความใคร่ข้อที่สองก็คือความยินดีอย่างที่ได้อธิบายมาแล้วข้อที่สามนั้นได้แก่ความหิวกระหาย <c oughs> ซึ่งมันเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลความหิวกระหายโดยในยะหนึ่งเป็นทุกข์สัตว์ท่านเรียกว่าเป็นนิพพัตธทุกข์คือทุกหนึ่งนิทุกประจําทุกที่เกิดขึ้น แก่สัตสังขารทั้งหลายเสมอกันเมืม่อบังเกิดขึ้นแล้วก็จะแผดเผากอให้เกิดความ ร, าร้อนกระสับกระส่ายไปด้วยประการต่างๆาเราทาในการขาจัดมันเสนาตนนี้ส่งแสดงไว้ในสองชั้นด้วยกันชั้นแรกมันคือความหิวกระหายที่เกิดขึ้นจากความต้องการของร่างกายก็ให้มีการตอบสนอง ความต้องการในชั้นนั้นนั้นเต่มในการตอบสนองมรรคใจเข้าไปบวกอยู่ด้วยรัฐนามีการปรุงรูปปรุงสีปรุงกลิ่นปรุงรสของสิ่งเหล่านั้นที่จะมาบรรเทาความผิวความกระหายที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนในที่บางครั้งบางคราวแสิ่งเหล่านั้นมีความประนีตอยู่แล้ว ก็ทําใจให้ยินดีเท่านั้นดูไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรแต่บางครั้งบางคราวอาจจะไปเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่ประณีตใจของบุคคลก็จะไม่สงบแล้วความหิวกระหายนั้นก็ จ, จะกลายเป็นโทสะเป็นปฏิกะไปก็ได้คนนี้อย่างเรื่องราวที่เล่ากันเรื่องกองข้าวน้อยข้าแม่ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นอนุสติ เตือนใจได้ว่าความหิวกระหายที่บังเกิดขึ้นนั้นถ้าคุมไว้ไม่อยู่บางครั้งก็อาจจะออกมาในรูปของอาชญากรรมหรืออาจจะออกมาในรูปของอนันตริยกรรมพระพุทธเจ้าจึงมีคำสอนในชั้นให้บุคคลรู้จักประมาณในการบริโภคในการใช้สอยสิ่งนั้นๆและพยายามปรับใจของตนให้ยินดี ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่ที่อาศัยที่บุคคลมุ่งมากปรารถนาแต่ก็เน้นไปในเรื่องของสิ่งที่มาบำรุงร่างกายคือเรื่องของอาหารแต่การที่จะเกิดผลเช่นนั้นขึ้นมาได้ก็ต้องมีการกำหนดพินิษฐพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการบริโภคปัจจัยโดยเฉพาะอาหาร ให้เข้าใจถึงความเป็นจริงว่าเราบริโภคอาหารนี้ไม่ใช่เพื่อเล่น <c oughs> เพื่อสนุก <c oughs> เพื่ออัดดอสโอยหรือปุ้อ้วนพีแต่ประการใดแต่เป็นการบริโภคโดยตั้งใจว่ า, าจะกระจัดความหิวซึ่งมันเกิดขึ้นป้องกันความหิวที่ยังไม่เกิดให้ร่างกายเรามีกำลังกกับปฏิบัติภารกิจการงานได้อิสุนใชยคาว่าเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ เป็นปัจจัยแห่งการประพฤติปฏิบัติความดีจะทำให้บุคคลคิดถึงเรื่องความเลวความประนิดของอาหารที่เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายน้อยลงแต่จะไปมองไปที่วัตถุประสงค์หรือสำเร็จประโยชน์จากการรับประทานอาหารถ้าสำเร็จประโยชน์แล้วก็ถือว่าใช้ได้อย่างที่ทรงใช้คำว่ายัางอัตภาพให้เป็นไปได้ไม่ถึงกับ หมดเรี่ยวหมดแรงที่จะปฏิบัติภารกิจของตนถ้าในชั้นนี้ความหิวจะไม่กลายเป็นอุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเรื่องความหิวกระหายเป็นนิพพัฒนทุกข์คือทุกข์ประจำในชั้นของการปฏิบัติกรรมาฐานพระเจ้าก็ทรงสอนเรื่องอาหารสับปายะ คือบุคลจะต้องได้ความสะดวกสบายในเรื่องของอาหารพอสมควรไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปพอทารับประทร า, านอาหารมากเกินไปก็จะตกสู่ภายใต้อำนาจของนิวร์คือถีน้ำมิทะความม่วงเหงาเหานอนต้าน้อยเกินไปใจก็จะตกอยู่ภายใต้อุทจักกุกจักคือพุ่งสั้นดำการสั้สายงดหิดแม้ในสมัยพุทธกาลเอง บางครั้งคนมองังเทศในพุทธสํานักแต่เขาไม่พร้อมเพราะถูกเสนามานคือความอยู่กระหายเสียแทงขณะที่พระพุทธองค์กําลังเทศอยู่ได้ซ้ําไปก็หยุดแล้วก็รับสั่งให้นาชายผู้นั้นไปรับประทานอาหารเสียก่อนแล้วจึงเข้ามางฝั่งเทศทีหลังเพ ร, ราระอะไรเพราะว่าในขณะนั้นกำลังรผจญะจญมานคือความหิวความกระหายอยู่ แล้วจะมาประจนมาน <c oughs> ที่เกิดขึ้นทำลายความสงบใจก็กลายเป็นสู้สองมานก็คงจะเป็นไปนไม่ได้เพระนั้นจึงบำบัดมานประเภทหนึ่งเสีย ก, ก่อนเพยเกิดความพร้อมที่จะฟังและที่ประจุมานจึงจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของตอนอีกต่อไปประการต่อไปก็คือเรื่องของตันหาตัานหานั้น ก็เป็นปกติประการหนึ่งภายในจิตใจตอย่างที่ทราบกันได้ว่าใจคนนั้นจะสายไปในความโลภเป็นปกติแสดงให้ปรากฏภายในจิตใจมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องของความโลภความอยากได้อยากกินอยากไปอยากทำอยากอยู่อยากนอนคือสารพัดความอยากที่เกิดขึ้นเราเป็นกิเลสสายนี้โดยการทั้งนั้น กิเลสประเภทอยากมันก็เป็นความหิวกระหายในทางอารมณ์ที่จิงมาน เ, าเสนามานที่กล่าวมาโดยลำดับนั้นก็ยังอยู่ในกลุ่มของกิเลสประเภทโลภะอยู่นั่นเองต่ทรงจำแนกแสดงในแนวของความรุนแรงเวลาเกิดขึ้นภายในจิตใจเท่านั้นอาการของตันหาเป็นความรุนแรงของความปรารถนาที่บังเกิดขึ้น เลวลาท่านแปลท่านแปลว่าความดิ้นรนทะเยอะทะยานอยากทางใจแต่แท้จริงความหิวกระหายก็ดีความยินดีก็ดีหรือแม้แต่กาม ก, ก็ดีก็เป็นอาการของตัณหาทั้งหมดแต่ความรุนแรงน้อยกว่าตัณหาเท่านั้นเองลักษณะของตัณหาก็คือก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปใจจะไม่ยอมหยุด คามปรารถนาที่บังเกิดขึ้นอย่างที่ท่านใช้คําว่าอยากได้นี้อยากได้โนอนอยากได้นั่นแล้วก็อยากได้เรื่อยไปเปรียบเหมือนวันนอนทิลันที่วิ่งไปบนต้นไม้ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆจับกิ่งนี้วางกิ่งนั้นจับกิ่งนั้นวาง ก, กิ่งน้นก็ไปเรื่อยลักษณะของอารมณ์ที่มีตันหาเกาะกินอยู่ก็จะเป็นเช่นเดียวกันทรงใช้คําว่า กอให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องไปโดยลำดับแน่นอนในชั้นหนึ่งไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคอะไรแต่บางคราวก็เป็นอุปสรรคในคุณธรรมเบื่งสูงขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นตัญหาในอารมณ์ที่ประนีตของบุคคลผู้ทำความดีแล้วปรารถนาการอุบัติบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ในชั้นของโลกีธรรมชั้นของการตกแต่งพบชาติใทประนิจเป็นธรรมะที่สรงจำแนกสแสดงแล ะ, สะแสดงอยู่สม่าเสมอที่สรงใช้คำว่าสักขกถาคือปานนาความสุขความสงบความเพลิดเพลินความน่ายินดีในอารมณ์ทั้งหลายของเทพเจ้าผู้บัตในสถานที่นั้นๆแต่ในขณะเดียวกันสวรรค์นั้นก็เป็นอุปสัรค ต่อการบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปสวรรเองก็จึงกลายเป็นมานไปด้วยสําหรับท่านที่ต้องการจะไปไกลไคือบรรลุมรรคผลผนิพพานแต่สําหรับระดับคนทั่วไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาในจันทนี้เป็นการแสดงเบื้องสูงเพราะผู้มาถามนั้นต้องการผลสูงสุดแต่นั้นตันหาในอารมณ์แม่ทีิพยนิธก็ยังชื่อว่าเป็นเสนา ม, มารอยู่สําหรับท่าน แต่ไม่ใช่สำหรับทุกขทุกคนลักษณะของตัณหาจะทำให้ใจหมุนวนปัจจแยลั่นไปท่านจึงแสดงว่าจิตจะผูกพันวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดรักใคร่ยินดีนี่เป็นการหมุนวนของจิตหรือสยบติดของจิตในอารมณ์นั้นนั้น จึงมีความกำหนัดรกักคราเย็นดีในอารมณ์อะไรแสวงหาจนได้มาแล้วครอบครองสิ่งนั้นจูใจยังมีความกำหนัดรกักคราเย็นดีใจก็จะสยบติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นระยะหนึ่งแลได้ที่สุดก็สายต่อไปคือมุ่งแสวงหาสิ่งที่ตนคิดว่า <c oughs> ประณีตมากกว่านั้นหรือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้นหรือเพิ่มเติมสิ่งเหล่านั้น ก็ตามสมควรแก่กรณีนั้ในใจที่ประกอบด้วยตัณหาจึงเป็นใจที่ไม่มีความสงบในชั้นนี้ในชั้นของการปฏิบัติอภะธรรมฐานเป็นต้นไปตลาดถึงชั้นของท่านผู้ถามปัญหาเป็นการมุ่งมา่นเป็นความมุ่งมา่นปรารถนาที่จะให้ตนได้สัมผัสผลคือความสงบ และเข้าถึงสภาวะของโมดีคือความเป็นผู้รู้ที่แท้จริงดังนั้นตัญหาทั้งชั้นหยาบชั้นกลางและชั้นละเอียดจึงคงเป็นมานหรือเสนาะมานสำหรับท่านผู้นั้นแต่สำหรับบุคคลทั่วไปศารใดที่เร า, า ย, ยังคุมทิศทางของความอยากความปรารถนานั้นได้ไม่ปล่อยความอยากครอบงำใจจนล้าเขตศีลธรรมออกไป ตานาเหล่านั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นมารสำหรับระดับนั้นเพราะว่าไม่ได้มุ่งในคุณธรรมระดับสูงแต่ยังไงก็ตามตานานั้นก็ไม่ควรจะให้เพิ่มอยู่ภายในใจมากเกินไปเพราะว่าเรารับเชื้อบวกอยู่สม่ำเสมอโอกาสที่ตันาจะล้นแล้วก็ออกมาข้างนอกก็เป็นไปได้ง่าย ทำนองเดียวกับการเก็บน้ำไว้ในเขื่อนก็ไม่ใช่เก็บจนเกือบเต็มไปถ้าจะเก็บไว้จนเกือบเต็มไปถ้าฝนหาใหญ่ลงมาระบายไม่ทันเขื่อนก็พังได้ใจของบุคคลที่เก็บตันหาไว้ก็มีลักษณะอย่างนั้นเนื้อจะเก็บไปมากรับเชื้อบวกมาข้างนอกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วตันหาก็จะมีกำลังครอบงำใจ ทำให้บุคคลประกอบกระทำในสิ่งที่เป็นทุจริตลงไปได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนในแนวบรรเทาในแนววของการระงับในแนวของการดับและแนวของการละเพราะถ้าหากว่าบุคคลสามารถละความรู้สึกเหล่านี้ลงไปได้หรือลดความรู้สึกเหล่านี้ลงไปได้จนอยู่ในจุดหนึ่งจะมีอาการที่เป็นคุณโดยส่วนเดียว ที่เรียวกว่าฉันทะคือความพอใจฉันทะคือความพอใจที่บังเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นกุศลทั้งหลายก็จะทําให้บุคคลเหล่านั้นเดินไปตามหลักขององค์ธรรมที่เรียวกว่าอิทธิบาทคือจะมีวิริยะความเพียรพยายามในการละอกุศลในการประพฤติอกุศลในการประพฤติกุศลเป็นต้น จิตใจก็สงบแน่วแน่จดจ่ออยู่ในเรื่องเหล่านั้นปัญญาก็จะบังเกิดขึ้นกำหนดพินิษฐ์พิจารณาหาสาระประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเมื่อถึงจุดนี้ตันหาแม่มีอยู่ก็ชื่อว่าถูกคุมไว้ได้แล้วไม่สามารถแสดงพยศคือเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความเจริญข้างหน้าของบุคคลได้เซนามมนตัวต่อไปก็คือเรื่อง ของทีนา ม, มิทะทีนา ม, มิทะเป็นกิเลสประเภทโมหะคือความหลงสแสดงอาการออกมามากและรู้สึกว่าปรากฏอยู่ภายในจิตของบุคคลจำนวนไม่น้อยพอลักษณะาอาการของทีนา ม, มิทะนั้นท่านจำแนกสแสดงไว้มากเช่นง่วงเหงาหามนอนซึ่งซึมงอยเหงาหดหูกเคริ้ม เชื่อีบิดขิเกียจชาเย็นจนถึงกับเกิดอาการที่เราเรียกว่าซ็่งเป็นต้นลักษณะอาการเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาสลับซับซ้อนในชีวิตของตนมีการเก็บกดอารมณ์ต่างๆเอาไว้มากและในที่สุดถึงจุดหนึ่งจิตจะรับไหวไม่ไหว จะก่อให้เกิดอาการดังกล่าวขึ้นมาหรือไม่อย่างนั้นเราเป็นเรื่องของคนที่ปฏิสนธิมาด้วยโมหะคือความหนุ่มเท่ากับมีาธาตุของความเป็นอย่างนั้นาธาตุธาตุคือเชื้อของความเป็นอย่างนั้นโดยปกติ เ, กเป็นมาตั้งแต่เด็กๆ เ, เป็นคนซึ่งซึมน้งงอยเงาโหดหูไม่สู้โลก ถจริตเราก็เรียกว่าโมจริตหรวิตกกุจริตแต่นี้เป็นมานเป็นเสษนามานท่นก็เรียกว่าจินมิถะเวลทาทำหน้าที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความสงบใจท่นก็เรียกว่านิวรณเป็นการเรียกตามอาการของสิ่งเหล่านั้นในกรณีที่เรียกว่ามานเพราะว่าขัดขวางตัดรอนเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้า ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามยกตัวอย่างในขณะที่ฟังธรรมในขณะที่ปฏิบัติธรรมหรือในขณะที่ปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตามแต่ใจของบุคคลมีอาการง่วงเหงาหงาวนอนซึ่งซึมเหงยเหงาหดผูท้อถอยเคริบเคลิบชาเย็นรู้สึกจืดชืดในอารมณ์ต่งางๆหรือว่าทําไปอย่างแก่น ผลประโยชน์ที่บุคคลต้องการจะเกิดขึ้นได้โดยยากดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจา้าจึงทรงชี้ลักษณะของชีนามิทาว่าเป็นเสนนามานประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือลักษณะของเสนนามานตนนี้เวลาแก่เกิดขึ้นไปในจิตใจของบุคคลแล้วมันจะอยู่ในจุดของความชานต่อรมทั้งหลาย ไม่จะไม่ลักษณะของอุเบกขาที่เราเรียกว่าความวางเฉยหรือไม่จะลักษณะของความไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายแต่เป็นอาการชาเย็นที่เกิดขึ้นจากโมหะเป็นฐานไม่มีปัญญาสมบคบเจาะวินิจฉัยสิ่งต่างๆข้อนี้สมเด็จพระมหาสมนเจ้ากวรวมพระยาวิชาน์นโรรส ได้ทรงมีลายพระหัตต์แสดงถึงความเม็นที่เกี่ยวกับพระอังอง์ไม่ยอมรับตำแหน่งหน้าที่การงานที่ทางต่างการณ์สงมอบหมายให้ทำลูกศิษย์ลูกหากรับปุกต้องสรรเสริญว่าอาจารย์ของตนเป็นผู้สัรโดดไม่ยินดีไม่ยินไรในลาบยศสรรเสริญเป็นต้น แต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วอาการเหล่านั้นเป็นอาการของโมหะหรือความเครีเป็นคนไม่เอาเรื่องศาสนาไม่มีลักษณะของปัญญาบังเกิดขึ้นแต่ประการใดสมเด็จพระมหาสมณาจึงทรงบันทึกว่าเป็นคนไม่เอาการคณะสงฆ์ไม่ควรจะอยู่ในรศาสนานี้โดยสัมพนธ์ ท่า น, นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของความไม่มีกิเลสนั้นจะเป็นเหตุให้คนกระตือรือร้นในการทํางานไม่เห็นเกิดความเหนื่อยยากลําบากอย่างที่พระผู้มีพระภาคจ่าทรงทํางานตลอด4ีสบหปีพระหันทั้งหลายทํางานโดยไม่คํานึงถึงความเหนื่อยยากลำบากบางเวลาพักผ่อนนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่การที่ไม่ยอมรับภารกิจการงานอะไรจึงไม่ใช่เรื่องของธรรมะแต่เป็นเรื่องของฉีนิมิตะเป็นาการของโมหะที่เกิดเป็นความชายเย็น ขึ้นภายในใจแต่ผูนั้นก็หลงตัวเองแล้วก็หลอกคนอื่นทำชีมิตก็ควรมีธรรมะแต่แท้จริงแล้วก็ไม่มีธรรมะอะไรเพืะอภารกิจในพระศ า, านสนาเพื่อมีความจะเป็นจะต้องทำคนจะต้องรีบจับงานเหล่านั้นเจนบัตถะมันระบุดท่านบรรลุอรหัตต์ตั้งแต่เป็นเด็ก กองว่าสิทธิภารากิจแล้วก็ไปของานทำจากพระพุทธเจ้าคือช่วยพระศาสนาพระเจ้าก็ทรงมอบหมายให้ดูแลวัดวาอารามทั้งหมดในการที่จัดคนเข้าพักผาอาศัยเป็นต้นเพราอลักษณะอาการที่แสดงออกบางอย่างอนองกลับไปเข้าไปหาใจของบุคคลได้อาการเหล่านั้นที่จริงก็คือกุศลอกุศลที่ออกมาในรูป ข, ของธรรมะนั่นเอง แต่ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมแล้วซึ่งในเชิงของการหาความรู้ความเข้าใจก็กลับเป็นเรื่องที่ดูง่ายเลครับอย่าลักษณะอาการดังกล่าวบางอย่างมันก็เป็นอาการของวิภาวะตัณหาเช่นว่าคนไม่ต้องการปรารถนาเป็นปรารถนามีปรารถนาได้อะไรอยู่กันไปเฉยๆวันๆคล้ายๆจะมีธรรมะแต่แท้จริงแล้ว น, นั่นคืออาการของวิภวะตัณหา แต่ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็สำแดงออกมาในรูปของจีนามิธานังกล่าวดังเรื่องของมารบางครั้งก็ดูยากเพราะไรเพราะแกรมักปรากฏในรูปของมิตรผู้หวังดีมารที่เป็นเทวปุตตรมารก็จะมีลักษณะอย่างนั้นจะปรากฏในรูปของกาลยานมิตรผู้มุ่งดีหวังดีถ้าเราไม่รู้จักแกรมก็นํนำเราไปสู่อำนาจของแกได้ ยึงมารคือกิเลสด้วยแล้วบางครั้งทาให้บุคคลหลงตนเองแล้วก็หลอกคนอื่นดังกล่าวจึงจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบปณิกุสลหรืออกุศลกันแน่เพราะถ้าเป็นเรื่องของกุศลแสดงความสงบระงับที่มีอยู่ภายในใจก็ต้องมองไปในแนวของพระพุทธคุณซึ่งถือเป็นหลักใหญ่ในการกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม ต่างชั้นของจิตต่างศีลธรรมของบุคคลดนนั้นคือบทที่เราสวดสรรเสริญพระพุทธคุณกันในตอนทาวัดเช้าที่ว่าพุทโธสุสุโธกรุณาภานะครับคำว่าพุโทโธนั้นเป็นผู้รู้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากปัญญาหรือวิชาหรือญาตแต่ความเป็นผู้รู้นั้นอีกด้านหนึ่งก็คือโมหานั้นได้หมดไปโมหะความหลง ได้หมดไปจากจิตใจจะทําให้พระทัยของพรุทธเจ้าเป็นสุสุโทโธคือบริสุทธิ์หมดจุดถึงหมายความว่าเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นโมหะหมดไปแล้วโมหะเป็นต้นข้าวของกิเลสทั้งหลายแม้กิเลสที่มีเรียกชื่ออย่างอื่นหรือว่าเซนามานที่มีเรียกชื่ออย่างอื่นก็ชื่อว่าถูกกรรมจัดให้หมดไปสิ้นไปได้ แต่ต่อจากนั้นพระไทยของอพุทธเจ้าก็เป็นกรุณามหมานโวคือเป็นความกรุณาต่อสัตว์ตัวโลกยิ่งห่วงมานนกเหมือนกับแม่น้าขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชาสัตว์มาเป็นเวลาชั่วนาตาับปีเช่นแม่น้าเจ้าหยาเป็นต้นหัว ใ, ใจของคนที่ประกอบด้วยกรุณาก็จะมองเห็นคนละสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในทะเล ข, ของความทุกข์ เป็นภารกิจเป็นหน้าที่ของตนที่าต้องทุ่มเทความเปียนพยายามลงไปเพื่อช่วยเหลือคนโดดนั้นให้หลุดพ้นจากทะเลทุกข์ให้ได้นั้นอุตสาหะในการกระทำงานของพระพุทธเจ้าจึงเป็นไปสูงมากนั่นคือคนที่ไม่มีกิเลสจะไม่มีความเคลื่อนไหวต่ำจะไม่นั่งเซ็งเ็งจืดชืไม่รู้ร้อนรู้หนาว ตัคนที่อยู่ในลักษณะนั้นเป็นการที่เรียกว่าไม่เอาทั้งอ่าวทั้งฐานทั้งขี้เท่าเป็นอาการของโมหะติกรุ่มรุมใจคือจีนามิท t h ที่หมักหมมอยู่ภายในใจมากตกอยู่ภายใต้อำนาจของทั้งมารทั้งเสนามารคือทั้งตัวมารใหญ่แล้วก็ลูกน้องของมารการวิเคราะห์ตรวจสอบที่บีเคียงจากตัวอย่างของบุคคลทั้งหลายเนี่ยเราเห็นได้อย่างเด่นชัดแล้วบทบาทเหล่านี้ดูที่บทบาทของพระพุทธเจ้าเลยจะชัด ว่าพุทธโรบทเรื่องราวต่างๆนั้นบทบาทของพุทธเจ้าเด่นมากแล้วก็ท่านให้รายละเอียดไว้มากเมื่อเทียบเคียงมองดูว่าการทํางานของคนที่ไม่มีกิเลสนั้นบางครั้งบางคราวแม้ร่วมมีอันตรายปรากฏอยู่ในที่เฉพาะหน้าตนคือเดินไปก็จะเสี่ยงอันตรายมากขึ้นทุกย่างก้าวเช่นการเด็ดไปโปรดปรุงคุลิมาน แต่คนที่มีปัญญามีความบริสุทธิ์และมีความไม่ตกักมีความกรุณาสูงอย่างพระพุทธเจ้านั้นจะไม่ได้สนพระไทยถึงพระองค์พระองค์จะเป็นอย่างไรแต่จะสนพระไทยว่าเขาจะได้อะไรจากการเสด็จไปของพระองค์เพราะเป็นการเสด็จไปด้วยความกรุณาเพื่อจะให้ <c oughs> ไม่จะไป <c oughs> เพื่อจะรับหรือ <c oughs> เพื่อผลประโยชน์ของตนเองการดูมานประเภทนี้จึงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ ปัญญาพินิ์พิจารณาเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะปรากฏตัวในรูปมิตรทำให้คนหลงทางได้ง่ายๆข้อนี้พึงสังเกตในการตํารงชีวิตในปัจจุบันคือการใช้ชีวิตประจำวันอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นนั้นมากบังเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลแต่เป็นการเกิดที่ไม่ต่อเนื่อง คล้ายๆกับฝนที่ตกปลอยลงมาแล้วก็หายเลยจากนั้นแดดก็จ้าเหมือนเดิมจิตใจของบุคคลบางขณะมีกุศลธรรมเกิดขึ้นแต่อกุศลธรรมก็แทรกอกุศลธรรมนั้นตกไปใจก็ถูกยึดครองด้วยอกุศลต่อไปหมว่าบางครั้งบางคราว สิ่งที่เป็นกุศลเหล่านั้นจะเกิดขึ้นแล้วทําให้เราเหนื่อยยากลำบากในตอนต้นไอ้มารก็จะปรากฏในรูปมิตรแสดงความ่วงใจจะทำเลย่ยารับศีลเลยเหนื่อยเปล่า่านั่งสวดมนต์เลยนอนสวดมนต์ดีกว่าเลยก็จะเกิดในลักษณะประนีะนอมเมื่อธนุถนอมบุคคลเอาไว้ทําให้บุคคลหลงแล้วก็ตกอยู่ภายใต้อา น, นาจของมารได้ดังนั้น หลักการสำคัญในพระพุทธศาสนาจึงเน้นสอนให้บุคคลมีสติและปัญญาเป็นเครื่องระลึกพิจิรพิจนาเพื่อพยายามบรรเทาความรุนแรงของมานและเสนามานให้เบาบางลงไปโดยลำดับจนถึงหมดสิ้นไปในที่สุดต่อแต่นี้ไปเราขอให้ตั้งใจทำความสงบติตต่อไป